เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายมุลฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางศาสนาเพราะเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดในบัตดาทางเลือกทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นก็มีทางเลือกอยู่สามทางด้วยกันคือทางดีทางไม่ดีและทางที่เป็นกลางกลางจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เจอนี่คือทางเลือกของชีวิตเรา ทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นทางเลือกที่ดีเพราะสอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพื่อผลคือความสุขและความเจริญที่จะตามมาทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปส่วนทางที่ไม่ดีถ้าเราดำเนินไป เช่นคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะตามมาส่วนทางที่เป็นกลางคือดีก็ไม่ทําชั่วก็ไม่ทําก็จะไม่มีไม่ได้ทั้งความเจริญไม่ได้ทั้งความสุขไม่ได้ทั้งความทุกข์ไม่ได้ทั้งความเสื่อม นี่คือทางเลือกของชีวิตไม่มีใครจะสักดันเราไปได้เราต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เดินไปตามทางนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคิดดีพูดดีทำดีชีวิตของเราก็จะมีแต่ ความสุขความเจริญจะห่างไกลจากความทุกข์ความเสือ่อมความวุ่นวายทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้รับความเจริญเท่ากับพระพุทธเจ้าได้รับความสุขเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะผลคือความสุข และความเจริญไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นคนอื่นไม่สามารถให้ความสุขให้ความเจริญกับเราได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะให้กับตัวเราเองได้ถ้าคนอื่นเขาให้ความสุขกับเราก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่มีความทุกข์แท้มาด้วย เวลาเขาให้ความสุขเราก็มีเราก็ดีใจพอเขาหยุดให้เราเราก็เสียใจหรือเขาจากเราไปเราก็ร้องผมร้องไห้เศร้าสศกเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากการคิดดีพูดดีทำดีจะอยู่ในใจของเราและจะไม่มีความทุกข์มาแทรกแซงเลย เพราะการทำความดีคิดดีพูดดีจะทำให้มีแต่ความสุขปรากฏขึ้นมาถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นเพราะว่าเราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจึงเกิดความทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจของเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราหมั่นทำความดีอยู่เสมอ เมื่อเรามีเวลาว่างเช่นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราไม่ต้องไปทางนานทาการมีเวลาว่างควรที่จะใช้เวลาว่างนี้ในการทำความดีในการละการกระทําความไม่ดีทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราห้อยพระอยู่ที่คอไม่ได้สอนให้เราห้อยเหรียญต่างๆเพราะท่านเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ทำให้เราดีไม่ได้ทำให้เราเจริญไม่ได้ทำให้เราร่ารวยขึ้นมาได้ถ้าร่ารวยได้ป่านนี้คนที่ห้อยพระห้อยอยู่เต็มคอป่านนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นดังที่เขาปรารถนากันเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญนั่นเองจึงอยาไปหลงถ้าจะห้อยพระก็ห้อยเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเรียกว่าพุทธานุสติธรมานุสติสังคานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมคำสอนถึงพระอริยสงสาวก เมื่อเรามีพระอยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีเราจะไม่กล้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่คือความหมายของการห้อยพระไว้ที่ตัวเราเพื่อคุ้มครองชีวิตจิตใจของเราไม่ให้ไปสู่ที่ต่ำไม่ให้ไปตกนรกไม่ให้ต้องทุกข์ อย่างแสนสาหัสพระคุ้มครองเราได้ในเรื่องนี้แต่พระไม่สามารถคุ้มครองความเป็นความตายเราได้คนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นต่อให้มีพระวิเศษขนาดไหนห้อยอยู่ที่คอมีราคาเป็นสิบล้านร้อยล้าน ก็ไม่คุ้มครองชีวิตของเราได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปเมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากตายก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คืออย่าไปอย่าเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ท่านทำความดีจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็จะทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือความจริงที่เรียกว่าหลักกรรมหลักกรรมก็คือการกระทากายทางกายทางวาจาและทางใจนี่เป็นเหตุที่จะทำให้ สิ่งที่ดีและชั่วเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกมากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่การกระทำของเราเราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ที่การกระทำของเราเหมือนกันเราจะสุขจะเจริญจะร่ำรวยก็อยู่ที่การกระทำของเราเราจะทุกข์จะเสือ่อม จะยากจนก็อยู่ที่การกระทําของเราเช่นเดียวกันเช่นพวกที่งอมืองอเท้าแล้วก็ไปซื้อพระมาห้อยคอพวกนี้จะยากจนไปวจนวันตายพวกที่รวยก็คือพวกที่ขายพระพวกที่ขายพระนี้เขาร่ําเขารวยได้เป็นได้เป็นสิบล้านร้อยล้านเพราะหลอกคนโง่อ ย, อย่างพวกเราได้นั่นเองหลอกให้พวกเรา เสียเงินเสียทองไปซื้อพระไปซื้อเหรียญมาห้อยไว้ที่คอเพื่อจะทำให้เราร่ำรวยเพื่อจะทำให้เราแข็งแกร่งปลอดภัยแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังกันที่เราคิดกันคนที่ห้อยพระเนี่ยตายไปก็มีอยู่เยอะคนที่ไม่ได้ห้อยพระที่ไม่ตายไปก็มีอยู่เยอะมันไม่ได้อยู่ที่ห้อยหรือไม่ห้อย มันอยู่ที่บุญกุศลหรือบาปกรรมที่ทำมามันจะเป็นตัวชี้บอกชีวิตของเราจะยาวหรือจะสั้นจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ที่บุญกรรมอยู่ที่บุญอยู่ที่บาปกรรมที่เราได้ทำมาทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเกิดเราทำอะไรมาบ้าง เราลองคิดดูมันก็ส่งผลให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นอย่าไปเชื่ออะไรในโลกนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรวิเศษมีสิ่งเดียวที่วิเศษก็คือพระรัตนตรยัยเท่านั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่เราเชื่อได้อย่างอย่างมั่นใจว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติตาม ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติแล้วชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยความเจริญรุ่งเรืองแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าการทำความดีนั้นใช้เวลาผลถึงจะปรากฏขึ้นมาไม่เหมือนกับนั่งเรืเบนหรือนั่งจรวด สมัยนี้คนเราใจร้อนทำอะไรก็อยากจะได้เห็นผลทันตาทันทีทันใดพอทำไปแล้วไม่เห็นผลก็เกิดความท้อแท้พอมีใครมาหลอกว่าเขาห้อยพระองค์นี้ห้อยเหรียญเหรียญแบบนี้รูปนี้ตอนนี้ทามาหากิน่ําด้วยมโหฬารก็เกิดความอยากที่จะรวยเหมือนเกา่า ก็ต้องไปเสียเงินซื้อเหรียญซื้อพระมาห้อยคอแต่ตนเองก็ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่จะทำให้ตนเองร่ำรวยงัวแต่นั่งรององมืองงอเท้าไปจนวันตายก็จะร่ำรวยขึ้นมาไม่ได้คนที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันต้องคิดด้วยความฉรา ต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องพูดต้องทำด้วยความฉลาดถึงจะร่มรวยขึ้นมาได้ถ้าไม่คิดด้วยปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่จะทำให้เราร่มรวยก็ไม่มีทางร่มรวยได้อย่างพวกที่เขาผลิตพระผลิตเหรียญออกมาขายพวกเราเขามีปัญญาเขารู้ว่าคนในโลกนี้ทุกคนอยากจะร่ำรวย ด้วยทางลัฐเช่นซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยหรือซื้อพระมาห้อยคอไว้เขาเห็นจุดนี้เขาเข้าใจจุดนี้ถ้าเขาผลิตเหรียญออกมาแล้วมีการประโคมข่าวมีการโฆษณาว่าวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้คนที่อยากจะร่ำอยากจะรวย อยากจะวิเศษโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเขาก็จะแห่กันมาซื้อเหรียญที่เขาผลิตออกมาคนที่รวยก็คือคนที่ผลิตเหรียญขายคนที่จนต่อไปก็คือคนที่ไปซื้อเหรียญนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนดังนั้นอย่าไปหลงกับเรื่องสิ่งต่างๆที่จะทําให้เราวิเศษวิโสไม่มีในโลกนี้ มีอยู่ในตัวเราเท่านั้นคือการคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นที่จะทำให้เราร่ำรวยที่จะละทำให้เราเจริญที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขไม่มีใครจะทำให้เราได้นอกจากสั่งสอนเราเท่านั้นเช่นเราศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอริยสง์ ศึกษาจากครูบาอาจารย์เราก็จะได้ความรู้เมื่อเราได้ความรู้เราก็เอาความรู้นี้มาทํามาพูดเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการขึ้นมานี่คือความจริงที่พวกเราทั้งหลายต้องมีความเชื่อมั่นต้องมีความแนว่วแน่ว่า ไม่มีอะไรจะทำให้เราสุขให้เราเจริญให้เราดีไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมเสียให้เรายากจนได้นอกจากการกระทำของเราเองดังนั้นเราจรึงต้องเฝ้าดูการกระทำของเราว่าเรากำลังคิดดีพูดดีทำดีหรือไม่ถ้าเราคิด ไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ต้องพยายามลดละอย่าไปทำมันความคิดไม่ดีก็คิดอยากจะได้อะไรมาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยยากไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าคิดไม่ดีคิดผิดคิดดีต้องคิดว่าเราอยากจะได้อะไร เราต้องสวงเราต้องทำมันขึ้นมาเราไม่หวังไม่รอให้คนอื่นเขาหยิบยืดมาให้กับเราคนที่ร่ำรวยนั้นเขาทำอย่างนี้กันทั้งนั้นเขาไม่มานั่งรอให้คนนั้นให้คนนี้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้กับเขาเขาอยากจะได้อะไรเขาก็มุ่งไปที่สิ่งที่เขาอยากได้ เขาอยากจะได้เงินได้ทองเขาก็มุ่งไปสู่การทํางานทําการพยายามทํางานให้มากเมื่อได้เงินมาก็ไม่เอาไปใช้จา่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นเอามาลงทุนมาขยายกิจการทําให้มีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็ว ก็จะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้อยู่ที่การกระทาทั้งนั้นคนรวยไม่ได้รวยเพราะคนอื่นหยิบเงินหยิบยื่นเงินทองมาให้กับเรายกเว้นถ้าเป็นมรดกของพ่อแม่เท่านั้นที่จะมาเองแต่ส่วนนี้ก็มาเพราะว่าเราได้ทำความดีไว้ในอดีตนั่นเองคือเราได้ทำบุญเราได้เสียสละบริจาคทรัพย์ บริจาคเงินทองอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เราเสียสละบริจาคเงินทองซื้อข้าวซื้อของมาถวายให้กับพระภิกษุสามเณรบริจาคเงินไว้สำหรับดูแลบำรุงวัดวาอารามนี่เป็นบุญที่จะปรากฏผลขึ้นมาในพบหน้าชาติหน้า เมื่อเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะได้ไปเกิดใ น, ในูเป็นลูกของคนรวยหรือถ้าไม่รวยไม่ช้าก็เร็วก็จะมีเงินมาเอง mm hmm. เช่นได้ลาบมาโดยที่เราไม่ได้ต้องไปดิ้นรนเลย mm hmm. เพราะอ น, นิสง์ของบุญที่เราได้ทำไว้แต่ถ้าชาตินี้ถ้าเราเกิดมา แล้วไม่ได้เกิดเป็นลูกของคนรวยก็เรายังเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรวยได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินด้วยสติด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่ฉลาดเราก็ต้องศึกษาหาความรู้หาหนังสือมาอ่านไปถามคนที่เขารวยว่าเขารวยได้อย่างไร เรียนได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความลึกลับอะไรมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของคนรวยไว้มากมายหรือแต่หรือแม้แต่ในาศาสนาก็มีการสั่งสอนให้คนเราขยันตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาความรู้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเก็บทอง นี่คือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราร่มรวยที่จะทำให้เรามีความสุขส่วนเหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์ก็คือความคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นอยากจะได้อะไรมาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปทามาหากิน ถ้ามีความอยากได้แบบนี้ก็จะพาไปสู่การพูดที่ไม่ดีไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการหรือไปชอบโกไปลักเล็กขโมยน้อยไปป้นไปจี้นี่เป็นวิธีของการคิดไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีแล้วก็จะทำไม่ดี แล้วผลไม่ดีก็จะตามมาก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจดังนั้นเราจึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงความคิดที่ไม่ดีอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นถ้าอยากจะได้ก็ต้องขยันหาเงินหาทองเมื่อได้เงินได้ทองแล้วค่อยไปซื้ออย่าไปซื้อ โดยที่ไม่มีเงินไมีทองถึงแม้เขาจะขายเราด้วยเงินผอนก็ตามได้มาแล้วมันไม่ได้ความสุขเพราะมันมีความทุกข์ตามมาต้องผ่อนต้องหาเงินมาจ่ายของที่เราซื้อมาก็จะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาเพราะความสุขนั้น ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆแต่อยู่ที่ใจของเราที่มีความสงบใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อไม่ต้องมากังวลที่จะต้องไปคอยใช้หนี้ที่ที่ได้สร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากจะได้อะไรก็รอไว้ก่อนรอไว้จนกว่าเราจะมีเงินทอง ที่จะซื้อมาได้หรือถ้าเราฉลาดเราคิดเป็นเราก็อย่าไปเอาอะไรเลยดีกว่าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงมันมีแต่ความทุกข์ ความรุ่มความวุ่นวายเพระเาะพะเจ้าจึงสละราชสมบัติแล้วมุ่งไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากต่างๆจะโลภอย่างไรก็ไม่เอาจะอยากอย่างไรก็ไม่เอายกเว้นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแต่ก็หามาพอประมาณหามาเท่าที่จำเป็นไม่ให้มีมากเกินความจำเป็นแล้วก็พยายามต่อสู้กับความคิดที่ไม่ดีด้วยการควบคุมจิตใจ ในเบื้องต้นก็ทำจิตใจให้สงบให้นิ่งก่อนเมื่อเราทำใจให้นิ่งได้แล้วต่อไปเวลาใจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ดึงใจกลับมาได้ถ้าคิดอยากจะไปโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็หยุดมันได้พอหยุดปับ๊บมันก็หายโลภหายอยากแต่ถ้าเราทำใจให้นิ่งไม่เป็นเวลาอยากจะได้อะไร ก็หยุดไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้มันก็จะผลักให้เราไปพูดไปทำไปหาสิ่งต่างๆที่อยากได้มาแล้วก็ต้องไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาดังนั้นในเบื้องต้นท่านจึงสอนให้เราหยุดใจเราหัดเบรกใจเราบ้างใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีเบรก พอเวลารถวิ่งเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องหยุดจะได้มีเบรกหยุดรถได้เช่นเวลาวิ่งไปถึงสี่แยกไฟแดงไปเจอไฟแดงเข้าจะวิ่งไปต่อก็เดี๋ยวก็ต้องไปชนกับรถที่วิ่งมาอีกวิ่งวิ่งขวางอยู่ก็จะเกิดอุบัติเหตุรถจึงต้องมีเบรกคนขับต้องรู้จักวิธีหยุดรถ ฉัในใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีเบรกเหมือนกันถ้าใจคิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องเบรกมันถ้าคิดอยากจะไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงไปลักเล็กขโมยน้อยไปป้นไปจี้เราก็ต้องหยุดใจอย่าไปทำเพราะทำไปแล้วจะมีแต่ความเสียหายตามมา ถ้าใจอยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกต่างๆเราก็ต้องหยุดใจให้ได้เพราะอบายามุกนั้นเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสือ่อมนั่นเองผู้ใดก็ตามถ้าไปเกี่ยวข้องกับสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวการคืนการครบคนชั่วเป็นมิรและความเกียจคร้าแล้วจะหาความเจริญไม่ได้ ชีวิตจะมีแต่ตกต่ำไปเรื่อยๆและเมื่อตายไปก็ยังต้องไปใช้กรรมต่ออีกไม่ใช่จะหมดเพียงแค่ชีวิตนี้เท่านั้นตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องฝึกใจเราต้องฝึกทาใจหยุดใจให้ได้ทาใจให้นิ่ง วิธีที่จะทำใจให้นิ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการสวดมนต์หัดไหว้พระสวดมนต์กันบ้างนั่งหลับตาไม่ต้องจุดธูปเทียนก็ไดข้ขอให้หาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็สวดมนต์ไปบทไหนก็ได้บทที่เราจําได้บทสั้นๆก็ได้ เพียงแต่ถ้ามันสั้นเราก็สวดหลายรอบหน่อยเช่นเราสวดอรหังสำมาสวดไปหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสบายใจจะสงบใจจะเย็นเวลาจะสวดเวลาสวดก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ใจแวบไปคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่สวดสวดไปอย่างเดียวไม่ให้คิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดไปด้วยสวดไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่สงบ ก, ก็จะไม่นิ่งก็จะไม่มีความสุขดังนั้นเวลาสวดมนต์ต้องคอยสังเกตดูว่าสวดอย่างเดียวหรือเปล่าหรือสวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไปถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่นิ่งมันจะไม่สงบ ถ้าเราสวดไปเรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถควบคุมใจของเราได้ในเบื้องต้นอาจจะยากสักหน่อยเพราะใจไม่เคยถูกควบคุมมันก็จะต่อต้านมันก็จะมีกำลังมากกว่าเราเราสวดไปเดี๋ยวๆเดี๋ยวมันก็ออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกถ้าเรารู้เราก็ดึงกลับมาใหม่แล้วก็ตั้งใจสวดไปใหม่ สวดไปเรื่อยๆถึงแม้เวลาสวดไปใหม่ๆยังไม่ได้เห็นผลก็อย่าไปเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายพยายามอดทนสวดไปเรื่อยๆเพราะการกระทาควบคุมจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นจนเหลือวิสัย ทุกคนสามารถควบคุมใจของตนเองได้ถ้ามีความอดทนมีความขยันทำไปเรื่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยเวลามีเวลาว่างก็หามุมสงบที่ไหนทำถ้าหามุมสงบไม่ได้ก็ทำไปภายในใจก็ได้เช่นเรานั่งรถเดินทางไปนั่งรถอยู่นั่งอยู่ในรถ ไม่รู้จะทำอะไรนั่งหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจหัดสวดไปเรื่อยๆต่อไปเราจะได้ควบคุมบังคับความคิดของเราได้เวลาที่เราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดันได้ถ้าหยุดมันไม่ได้เราก็สวดมนต์ไปแทนก็ได้เช่นเราคิดอยากจะไปสุดไปเล่นการพนันอยากจะออกไปเที่ยว เราก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเรื่องที่อยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปเสพสุรายาเมาก็จะหายไปจากใจเมื่อหายไปแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะไปมันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นถ้าใจเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้วเรื่องนั้นก็ไม่มีอะไรกับเรา พอเราไปคิดถึงเรื่องงานปั๊บมันก็จะมีมันมีมันก็จะมีปัญหากับเรา ท, าทันทีถ้าเราคิดจะไปไปเสพสุรายาเมามันก็จะคอยชวนเราอยู่เรื่อยให้เราไปให้เราไปเสพสุรายาเมาพอเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆความคิดที่อยากจะไปเสพสุรายาเมามันก็จะหายไปหมดไปเราก็ไม่ต้องไปเส่ นี่คือการดูแลใจของเราควบคุมใจของเราให้อยู่ในทํานองครองธรรมถ้าเราไม่รู้ว่าทํานองครองธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราก็ต้องหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆต่พอพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีก็สอนให้เราทำให้มากๆ สิ่งที่ไม่ดีก็ทรงสอนให้เราละเช่นอบายอมุกต่างๆนี้ทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องควรที่จะอยู่ห่างไกลอย่าให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราอย่าไปคิดถึงมันและการกระทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพุติผิดประเวณี พูดปลดมดเท็ก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงอย่าไปทำอย่าไปให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราส่วนสิ่งที่ดีแท่นก็ทรงสอนท่นท่านสอนให้เรามีความกตัญญูกะตะเวทีสำนึกรู้บุญรู้คุณของผู้มีก็คุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ให้เรามีสัมมาคา ร, ะระวะ รู้จักที่สูงที่ต่าให้เรามีการเสียสละให้รู้จักให้อย่าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวเพราะได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่มีความสุขไม่เหมือนกับการเสียสละได้เสียสละมากน้อยเพียงไรก็จะมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นอย่างวันนี้ท่านก็มาเสียสละเวลาเสียสละเงินทอง ทานสิ่งที่ท่านได้กลับไปก็คือความสุขใจความอิ่มใจความพอใจซึ่งจะไม่เกิดขึ้นจากการได้สิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็เพียงแต่ดีอกดีใจไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นก็เกิดความหิวเกิดความอยากได้ขึ้นมาอีกไม่มีความอิ่มไม่มีความพอ จากการได้สิ่งต่างๆแต่การเสียสละการให้นี่แหละจะเป็นการทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มมีความพอปรากฏขึ้นมาท่านจึงสอนให้เราเสียสละให้เรามีใจกว้างเป็นคนใจกว้างอย่าไปหวงอย่าไปตนันีอย่าใจแคบเพราะมันจะทำให้เรามีความทุกข์ใจ นี่คือความดีสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจึงควรที่จะน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าอย่าไปอย่าไปทําอย่าไปคิดถึงมันคิดแต่ในสิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีแล้วชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขความเจริญ และห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียทั้งหลายนี่คือทางเลือกของเราเราต้องเป็นผู้เลือกเองและเราต้องเป็นผู้กระทำเองพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวุปคูบาจารย์ท่านเพียงแต่เป็นผู้ชี้ทางให้กับเราเท่านั้นท่านไม่สามารถเสกเป่าให้เราสุขให้เจริญให้ดีได้ เราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ปลุกเสกผู้ที่จะเป่ากระหม่อมของเราให้สุขให้เจริญได้ดังนั้นอย่าไปหวังพึ่งใครให้พึ่งตนเองด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสนควรแก่เวลา